ประเทศกาหใต้คนกว่า 50% นะหรือว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่มีศาสนานะที่มีศาสนานี่ก็ไม่ถึงครึ่งนะยิ่งถ้าเป็นคนหนุ่มสาวไม่ถึงหนึ่งในสนะคือประมาณส0ที่อ้างว่ามีศาสนาอีก 70% บอนี่บอกว่าไม่มีศาสนานะแล้วก็หลายคน หรือว่าจํานวนมากทีเดียวก็บอกว่าที่ไม่นับถือศาสนาเพราะว่าศาสนาไม่ได้ทําให้ท้องอิ่มเมืองไทยนี่ก็มีแนวโน้มไปในทางนั้ น, นเนื่องราะคนหนุ่มสาวที่ที่มีการศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีจํานวนไม่น้อยเนี่ยก็เริ่มนะที่จะไม่นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไร รวมทังศาสนาพุทธด้วยเหตดผลก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าข้อหนึ่งก็คงคล้ายๆกับหลุ่มสาวชาวเกาหลีนะก็คือว่าศาสนานี้ไม่ได้ทำให้อิ่มท้องจริงเนี่ยคพูดเช่นนี้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทีเดียวนะอย่างในเมืองไทยเนี่ยคนจะไม่น้อยเลยนะอิ่มท้อง มีรายได้ดีหรือว่ามีอาชีพได้เนี่ยก็เพราะศาสนานะลองอย่างพวกที่ขายสังคภันเนี่ยนะร้านสังคพันเนี่ยอันนี้ก็อิ่มท้องนะเพราะศาสนาถ้าคนไม่นับถือพุทธศาสนามากๆเนี่ยร้านสังกพันนี้ก็คงจะอยู่ยาก แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะร้านสังกพันธ์นะผู้ที่ผลิตเครื่องบริการนี่ที่เขามีรายได้ก็เพราะศาสนา้มีคนจนมากเลยเนี่ยมีอาชีพอยู่ได้เาเพราะศาสนาเนี่ยเนี่รอุตสาหนาผู้ที่ผลิตเครื่องบริการนะ ปาจีวรสังกพัณฑ์รวมทั้งผู้ที่ผลิตหรือขายทูปเทียนรวมทั้งดอกไม้เนี่ยนะอันนี้เขาก็อยู่ได้เพราะศาสนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยศาสนานี่มันไม่ทำให้ท้องอิง่นนี่ก็ไม่จริงเสมอไปอยังไม่นับ คนอีกมากมายนี่ที่เขาเมีอาชีวิตได้ก็เพราะศาสนาโดยพระพุทธศาสนาเรื่องที่จริงเนี่ยคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยคนมักเข้าใจว่าท่านสอนเรื่องพ้นโลกหรือว่าสอนเรื่องนามธรรมสอนแต่เรื่องจิตใจที่จริงไม่ใช่นะมีธรรมะมากมาย ที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีทางเศรษฐกิจนะอย่างบางหลายคนยังไม่รู้นะพุทธเจ้าสอนทรมาสาหรับพ่อค้าด้วยพ่อค้าจะหรือแม่ค้านี่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยก็เพราะประการที่หนึ่งนะเลืองตาดีนะตาดีคือว่า รู้จักสินค้ารู้ว่าสินค้าใดที่มีคุณภาพแล้วก็ควรจะขายราคาเท่าไหร่และสองเนี่ยนะรู้จักเรื่องตลาดนะรู้ว่ารู้ตลาดรู้ว่าทำยังไงเนี่ยนะจึงจะขายสินค้าได้ หรือว่ามีสินค้าหาสินค้ามาให้เหมาะกับตลาดรวมทั้งรู้จักเอาใจเข้าใจลูกค้าเนี่ยแล้วข้อที่3ามเนี่ยนะก็รู้จักแหล่งทุนนะก็ะทำการค้าเนี่ยต้องมีแหล่งทุนที่จะมาใช้ในการประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจก็มีธรรมะหลายหมวดเลยนะ รวมทั้งวิธีการใช้จ่ายทรัพย์หรือแบ่งแบ่งซัพนะเช่นแบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงตัวและครอบครัวบริษัทบริวารให้มีความสุขอีก2ส่วนก็เอาไว้ใช้ประกอบเอาไว้ใช้ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพนะนะเช่นซื้อรถถ้าเกิดว่าทำการค้าขาย หรือว่าเช่าร้านนะเพื่อวางสินค้าหรือว่าซื้อปุ๋ยนะเอาไว้เป็นเกษตรก ร, กรซื้อเครื่องไม้เครื่องมือและอีกหนึ่งส่วนนะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะเช่นเจ็บป่วยหรือว่าในยามที่มีความเดือดร้อนนะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ดีทางเศรษฐกิจนะซึ่ง มันก็มีอยู่ในพุทธศาสนาท่านก็สอนนะทำยังไงถึงจะช่วยให้มีเศรษฐกิจดีมีอาชีพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดว่าเนี่ยศาสนาไม่ทำให้อิ่มท้องนี่มันก็ถ้าจะมาใช้กับพุทธศาสนานี่ก็คงไม่ถูกทีเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่า ธรรมะที่ท่านสอนในการที่ใช้ประกอบกันธรรมะหากินมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บพร้อมรอมลิบนะอันนี้ท่านก็ก็เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็ตามเนี่ยที่คนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่สนใจศาสนาเพราะ ทำให้ไม่อิ่มท้องเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจแต่เรื่องที่ทำให้ท้องอิ่มใช่เรื่องการทำมาหากินแต่จริงก็ไม่ไม่ใช่นะคนจะไม่น้อยเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็สนใจเรื่องที่ทำให้ไม่อิ่มท้องด้วยเช่นสนใจเรื่องดูหนังฟังเพลงเที่ยวอนะ หมดเงินไปเยอะนะกับเรื่องของการดูหนังฟังเพลงการหาความบันเทิงเรืองรมหรือว่าการเที่ยวนะตามสถานที่ต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้อิ่มทองนะแต่เราก็เห็นเลยนะว่าคนผู้คนนี่ก็บกบุญกับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่น้อยเลยหมดเงินไปไม่น้อยหมดเวลา รวมทั้งการที่ไปติดเกมเนี่ยติดวิดีโอเกมพวกนี้ถามว่ามันทําให้อิ่มท้องไหมวิดีโอเกมเนี่ ย, เ ก, เ, ยเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ทําให้อิ่มท้องเลยก็ แ, แต่ทําไมสนใจเพราะฟน้ที่เขาอ้างวัาเนี่ยไม่สนใจศาสนาเพราะทําให้มันไม่ท้องอิ่มเนี่ยจริงๆมันก็ไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นเพราะมันค่อยจะเห็นว่ามันงมงายไร้สาระซึ่ง ตัวอย่างที่เป็นขามก็มีไม่น้อยนะาศาสนาที่ทําให้คนเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความงานงายไร้สาระหรือเรื่องของหลอกเอาเงินผู้คนแต่ถ้าจะบอกว่าเนี่ยาศาสนาทําให้ไม่อิ่มท้องเนี่ยนะมันก็ไม่จริงหรอกโดยเฉพาะกับพุทธศาสนาแล้วก็เราก็ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเพราะว่าคนหนุ่มสาว หรือแม้กระ่งคนมากมายที่ไม่มีศาสนาเนี่ยก็ไปสนใจกับเรื่องที่ทำให้ไม่อิ่มท้องนี่เยอะทีเดียวอย่างที่บอกนะเรื่องความบันเทิงเรื่องรม่มเรื่องอับายามุกนะเกมออนไลน์พวกนี้หรือแม้ทั่งหมดเวลาไปกับเรื่องโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็ไม่เห็นมันทำให้อิ่มท้องเลยแต่ทำไมไปทุ่มเทนะ กับมันมากหรือเกินหมดเวลาไปกับมันไม่ใช่น้อยในแต่ละวันและแต่ละว่าไปแล้วเนี่ยถามว่าจริงเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหาว่าท้องอิ่มแล้วเนี่ยมันพอไหมทุกวันนี้เนี่ยเราไปให้คุณค่าให้ความสําคัญกับเรื่องเงินทองมากจนกระทั่งมันกลายเป็นเป้าหมายของชีวิตสูงสุดประการเดีวยวเลยก็ว่าได้แต่อย่างที่เราเห็นนะว่าจริงๆเนี่ยแม้จะ ท้องอิ่มนะแม้จะมีเงินมีทองมากมายนะคนก็ไม่ได้มีความสุขกันเท่าไหร่ทุกวันนี้คนก็มีเงินมีทองมากขึ้นแล้วก็แทบจะไม่รู้จักความหิวโหวยแ ล, แล้วก็กินกันจนกรทั่งเกินเลยนะจนกระทั่งกลายเป็นโรคอ้วนแต่แม้ก็ น, นั้นเนี่ยก็ มีความทุกข์กันไม่ใช่น้อยเป็นโรคจิตโรคประสาทนะถ้าที่มีเงินทองมากมายไม่นับที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือถึงขั้นเนี่ยาตัวตายเนี่ยจนวนไม่น้อยนี่เขาก็อิ่มท้องนะแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบนะของชีวิต แม้จะมีเงินมากมายน่าจะมีทรัพย์สินพรั่งพร้อมบริบูรณ์แต่มันก็ไม่ทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันต้องการอะไรที่มากกว่าอิ่มท้องมันต้องการอะไรที่มากกว่าเงินทองถ้าสิ่งนั้นคืออะไรนะจะเรียกว่าความอิ่มใจกนะ็ได้ มนุษย์เราต้องการอะไรที่มากกว่าความอิ่มท้องเราต้องการความอิ่มใจคือความสุขในจิตใจซึ่งตรงนี้เนี่ยาศาสนาก็สามารถที่จะช่วยได้เลยเพราะาศาสนาที่สอนหรือว่าให้หลักหรือแนวทางแก่เราในการดำเนินชีวิต พาะศาสนาก็มีหลายประเภทนะศาสนาที่ให้ความหวังหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนแต่ว่าไม่ได้ให้หลักธรรมหรือหลักการในการดำเนินชีวิตก็มีไม่ใช่น้อยได้จะว่าไปแล้วเนี่ยแม้เพียงแค่การมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งในทางจิตใจเนี่ยแค่นี้นี่มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้นะทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าศาสนาใหญ่ๆเนี่ยจะมีคนนับถือน้อยลงนะไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธหรือรวมไปถึงศาสนาอิสลามเนี่ยคนก็นับถือน้อยลงแต่มไม่ได้แปลว่าคนนับถือศาสนาน้อยลงนะเพียงแต่ว่ามัน ศาสนาที่เานับถือเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาใหญ่ๆศาสนาเล็กๆศาสนาใหม่นีคำว่าศาสนาใหม่นี่เป็นคำที่พูดกันมาหลายสิบปีแล้วเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะคนเนี่ยเศรษฐกิจก็ดีนะ โดยพ่อช่วงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยจากเตือที่หิวโหยก็กลายเป็นท้องอิ่มแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่พวกว่ า, าศาสนาใหม่เนี่ยมันกับบานเป็นดอกเห็ดไปเลยนะาศาสนาใหม่ในญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่หลักพันนะที่หลักหมื่นเลยนะ ขณะที่คนนับถือาศาสนาพุทธน้อยลงคนนับถือาศาสนาคริสต์น้อยลงหรือบางคนก็บอกว่าไม่นับถือาศาสนาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีาศาสนาใหม่เป็นที่พึ่มนะีไม่ใช่น้อยเลยไม่ตจะงว่าไปแล้วในคนเราแม้จะอิ่มท้องนะแต่ว่าก็ต้องการความอิ่มใจด้วยหรือความอบอุ่นใจ ซึ่งศาสนานี่มันก็ตอบสนองได้แต่ว่าถ้าใช้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นศาสนาที่สามารถจะให้หลักธรรมหรือหลักการในการดำเนินชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจุดเด่นหรือลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาเพราะคนเราเนี่ยในความอิ่มใจเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ช่วยให้มีคุณค่าและการใช้ช่วยมีคุณค่าเนี่ยก็ลงถึงการทำความดีนะการมีจุดหมายของชีวิตที่ดีงามที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนเนี่ยเป็นคุณค่าของการทำความดีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วย เติมเต็มจิตใจได้คืออิ่มใจเพราะว่าได้ทำความดีแต่มไม่ใช่แค่อิ่มใจเพราะว่าได้ทำความดีรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าเท่านั้นนะความสุขนี่ก็สำคัญเหมือนกันถ้าชีวิตเนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยความสุขและถ้าเป็นความสุขที่ประเสริฐเนี่ย มันก็ช่วยทำให้ชีวิตมีคุณค่าและตรงนี้ก็สำคัญกว่าความอิ่มท้องด้วยนะเพราะว่าคนบางคนหรือคนจ น, นไม่น้อยเนี่ยท้องก็าจะไม่อิ่มเท่าไหร่หรือว่าเขาอยากจนแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะเพราะเขามีาศาสนาไม่ใช่เป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวอย่างเดียวนะแต่เป็นเครื่องน้อมนำให้บาเพ็ญช่วยที่ดีงาม ซึ่งก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเต็ม เ, เ, เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าแล้วก็จิตใจก็เปลี่ยนไปได้วยความสุขและที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือมันให้แนวทางในการเผชิญกับความทุกข์ได้เพราะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะร่ํารวยแค่ไหนไม่ว่าจะประสบความสําเร็จเพียงใดเนี่ยมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะ วความทุกข์เนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้น3ประการเนี่ยอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าได้ไม่สมอยากความทุกข์ของผู้คนเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยแม่ว่ายุคใดสบายใดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้น3มเรื่องนี้แหละ แล้วเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัยทุกสถา น, นะไม่ว่าจะเป็นจั ก, กรพรรดิพระราชาลงมาถึงยา จ, จกเนี่ยมันก็ต้องเจอสามสิ่งสามประการนี่นะพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจมันไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์แต่บางทีก็รวมสูญเสียคนรักนะลูก พ่อแม่บางทีก็ไม่ใช่แค่จากตายแต่จากเป็นมันก็ทำให้มีความทุกข์ทรมานต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจมันไม่ใช่แค่คำต่อว่าด่าท อ, อยงรวมถึงความล้มเหลว อ, อุปสรรคในการงานลงไปถึงความแก่ความเจ็บความป่วยและความตาย แล้วยังมีอีกนะประการที่3เนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นหรือได้ไม่สมอยากอันนี้มันก็ทําให้คนมีความทุกข์มากแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยแม้จะได้มาได้อะไรต่ออะไรมากๆมามากมๆแล้วก็ยังมีความทุกข์เพราะว่าอยากได้อีกแต่มันไม่ได้อย่างที่อยากหรือไม่สมอยากตรงนี้แหละนะาศาสนาเนี่ยหรือพระพุทธศาสานาเนี่ย มันสามารถจะช่วยผู้คนให้สามารถรเผชิญรับมือความทุกข์ได้ในขณะที่การมีเงินมีทองมากมายหรืออิ่มท้องเนี่ยพอเจอปัญหาเหล่านี้นี่มันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยถ้าหาว่าคนเราเนี่ยมีสันโดษนะรู้จักพอใจสิ่งที่มีกินดีสิ่งที่ได้เนี่ยให้ความอยากได้ไม่รู้จักจบเนี่ยมันก็ ไม่สามารถรบกวนจิตใจของผู้คนได้และยิ่งถ้ารู้จักนะวางจิตวางใจให้เป็นพอเจอความพัดพรากสูญเสียก็สามารถที่จะยอมรับมันได้หรือพอประสบกับความเจ็บความป่วยนะความแก่ชราแม้กระทั่งความตายเนี่ยก็สามารถที่จะ เผชิญกับมันได้ด้วยใจที่ไม่หวันไหว3าสิ่งเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรม8ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะสุขทุกข์รวมทั้งสารเสนิญนทานไอ้สุขทุกข์นี่มัน ก, ก, กว้างนะรวมถึงความมีกำลังวังชาดีสุขภาพดีมีพลานามัยแล้วก็ความเจ็บป่วย นะความสิ้นเดี่ยวสิ้นแรงศาสนาที่ดีเนี่ยนะในช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผาเผชิญกับโลกธรรมได้ด้วยใจที่ไม่วันไหวดีจิตที่มั่นคงเพราะอะไรนะเพราะว่าหนึ่งนะเข้าใจถึงความจริงของชีวิตนะว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิต ในยามที่สุกก็ไม่เพลินไม่เพลิดเพลินหลงไหลเพราะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวในยามที่มีก็รู้ว่าไม่นานก็หมดในยามเจอก็รู้ว่าเนี่ยอีกไม่นานไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากมีพบก็ต้องมีพรากมีรักก็ต้องมีเลิก นั่พอเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เพลินนะในยามที่เจอลกธรรมฝ่ายบวกคันเจอลกธรรมฝ่ายลบนะก็ไม่ผิดหวังเศร้าโศกไม่ตีโพตีภายไม่คล่่าครวนศาสนาเนี่ยที่ดีเนี่ยไม่ได้สอนให้เรารู้แต่เฉพาะการทำความดี คนไม่มีศาสนาเนี่ยเขาก็มีหลักจริยธรรมนะในการทำความดีบางทีเขาทำความดีในบางเรื่องนี้ยิ่งกว่าคนมีศาสนาอีกเช่นคนไม่มีศาสนาจนาไม่น้อยนีย่เขาเขาให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิของสัตว์ของธรรมชาติมากหลายคนเนี่ยถึงกับกินมังสวิรัตนะิแต่ที่ไม่มีศาสนานะเพราะว่าเขาไม่อยากจะรบกวนสัตว์ไมอยากจะเบียดเบียนสัตว์ หรือบางคนก็มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ทุกอย่างมากทั้งนั้ที่ไม่มีศาสนาเลยแต่ไปอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานั้นไม่มีศาสนาเนี่ยก็สามารถจะทำความดีได้เพราะเขามีปัจญาอย่างอื่นเนี่ยเป็นเครื่องรองรับนะแต่ศาสนาโดยอฉพระพุทธศาสนาเนี่ ย, ยไม่ได้สอนแต่เฉพาะเรื่องทำดีอย่างเดียวนะแต่สอนเรื่องการ ทำใจด้วยหรือวางใจผู้ให่เนี่คือว่าไม่ได้สอนแต่เรื่องการทํากิจนะแต่สอนเรื่องการทําจิต ด, ด้วยทํากิจนี่ก็รวมถึงการทําความดีการทําหน้าที่ซึ่งถ้าเราทําถูกมันก็ไม่มีเรื่องเดินเนินร้อนใจมากนะแต่มันก็หนีไม่พ้นนะโลกะทำแ8หรือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักหรือได้ไม่สมอยาก แต่ถ้าหาว่าเรารู้จักทําจิตให้ดีนะเช่นเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็รวมทั้งรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เอาความยึดติดถือมั่นมาบีบขั้นใจจนกระทั่งเกิดความผิดหวังเศร้าโศกงั้นพวกเราเนี่ยถ้าว่ามีรู้จักการวางจิตที่ถูกต้องทั้งเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็สามารถที่จะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ เวลาสูญเสียพัดพร่มันก็ไม่ฝู่นฝ่ายเศร้าโศกมากเวลาเจอความแก่ความชราหรือเจอความเจ็บป่วยนะก็สามารถจะรับมือกับมันได้เคนจะไม่น้อยนะในยามที่สุขสบายเนี่ยร่งพร้อมในวัตถุเนี่ยก็ไม่เคยคิดเตรียมตัวนะในการรับมือกับความเจ็บความป่วยและความแก่ชราเลยพอแก่ชราอยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลานอยู่ห้อมล้อมคู่รักก็ล้มหายตายจากไปเพื่อนก็ตายไปทีละคนสองคนรู้สึกเคร่งค้างรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมทั้งที่มีเงินมากมายนะแต่ว่าบนว่าอยากตายอยากตายบางีก็ซึมเศร้าหมดอะไรแต่ยอยากกับชีวิตดึงกับฆ่าตัวตายก็มีนี่ขนาดแก่ชราแนละ้วยังไม่นับเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเนี่ย หลายคนเนี่ ย, ยก็ส่วนใหญ่เลยก็ได้นะทุกทรมานมากนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจเพราะยอมรับกับสภาพความเจ็บความป่วยไม่ได้ยิ่งทุกขเวทนาบีบคั้นต้องนอนติดเตียงนะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งอื่นได้อยู่กับตัวเองไม่ก็ไม่เคยอยู่ก็บ่นว่าอยากตายเหมือนอยากตายเหมือนกันแล้วพวกนี้ก็ล้วนแต่แต เป็นคนที่มีเงินมีทองหรือว่าอิ่มทองนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับความเจ็บความป่วยความแก่ชาราได้พ่อเขาไม่สนใจนะเรื่องศาสนาไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตฝึกใจหรือการนำธรรมะมาใช้กับชีวิตอย่างแท้จริงยิ่งถึงเวล า, าจะตายนะ คนรวไม่น้อยเลยแม่มีเงินมีทองมากเี่แต่ตอนจะตายมันทรมานมากเพราะว่าได้เงินทองนี้มันเอามาช่วยให้ตัวเองคลายทุกข์ไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าแต่ใกล้ตายเลยนะในเวลาพัดผ้าสูญเสียจากคนรังเนี่ย อ, อกหักเนี่ยโอยมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะช่วยเยียวยาและสาใจได้ยิ่งต้องมาเผชิญความตาย หลายคนมีเงินมีทอง ม, มากมายแต่ถึงเงี้ตายรู้สึกเสียใจเสียใจว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ให้มันคุ้มค่าในความหมายที่ว่าทําความดีรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําหรือเสียใจที่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําอันนี้เพราะว่าส่วนนี้ก็พาะขาดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตรวมทั้งาขาดการฝึกจิตฝึกใจด้วย เพราะนั้นถึงเวลาตายมันก็ทรมานมากแต่พวกนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่มีศาสนาจะไม่ไม่ทุกทรมานในเวลาแก่เจ็บป่วยและตายเนี่ยตราบใดที่แม้จะมีศาสนาแต่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ไม่ได้เอาธรรมะามาฝึกจิตฝึกใจถึงเวลาพัดพาวสูญเสียถึงเวลาเจ็บป่วยถึงเวลาแก่ชราแล้วถึงเวลาตายมันก็ทุกทรมานเหมือนกันนะเพราะว่า ได้แต่นับถือศาสนาแต่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้อาจจะทำความดีนะแต่ว่าไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมรับมือนะกับความทุกข์ที่มันประดังประเดชเข้ามาเพราะนี่เนี่ยถ้าเราจะนับถือศาสนาโดยพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาให้เต็มที่นะไม่ใช่เพื่ออิ่มท้องแต่เพื่ออิ่มใจและอุ่นใจ คือมีคุณค่ามีชีวิตที่ส่งคุณค่าเปลี่ยนไปด้วยความสุขสามารถละเมือความทุกข์แล้วก็มีปัญญาในการนําพาชีวิต อ, ออกจากความทุกข์ได้หรือสามารถอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากนะที่ไม่ทําให้ชีวิตเราเมีค่าอย่างแท้จริงอันนี้พูเท่านี้นะ